ทำไมเอาอาวัยวะเพศมาด่ากันถามอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะครับแต่อยากทราบว่าทำไมคนเราถึงเอาอาวัยวะเพศมาด่ากันหรือมอใช้เป็นคำหยาบคายทั้งที่จริงก็เป็นอวัยวะให้กาเนิดทุกคนบนโลกทำให้ทุกคนลืมตาดูโลกขึ้นมาได้และอยากทราบด้วยว่าการด่าด้วยอวัยวะเพศจะมีผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับความผิดปกติใดๆทางเพศด้วยหรือไม่ครับตอบเกี่ยวสิครับทําไมจะไม่เกี่ยวกับกรรมคำหยาบนั่นแหละกรรมเป็นวจีกรรมในเชิงทุจริตม่ชอบหรือที่เรียกสั้นๆว่าวาจีทุจริตสำหรับอวัยวะเพศนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนแต่ละท้องถิ่น หรือแต่ละลัทธิความเชื่อบางแห่งก็ถือว่าองค์กาเนิดเป็นของสูงเพราะหากปราศจากองค์กาเนิดก็ปราศจากโลกปราศจากภาวะปราศจากความเป็นมนุษย์ใดๆขึ้นมาได้จึงนำลึงอันเป็นองค์กาเนิดฝ่ายชายและโยนีอันเป็นกาเนิดฝ่ายหญิงมาบูชานั่นเป็นอีกด้านของความเข้าใจซึ่งก็ถูกต้อง และยกระดับจิตให้มองเห็นอะไรเหนือกว่าสามัญสำนึกธรรมดาได้แต่หากเป็นคนทั่วไปที่ฝักใฝ่ครุ่นคิดหรือหมกมุ่นอยู่กับความสนุกในการเสพเมทุนใจย่อมรู้อยู่ว่าขณะแห่งการเสพนั้นจิตมีความมืดเหมือนเช่นที่ระงับความอยากไม่อยู่ก็เรียกกันว่าหน้ามืดนั่นเองเรื่องจริงก็คือ ความมืดทางจิตนำมาก่อนจิตถูกราคะครอบงำเหมือนเมฆหมอกบดบังแสงสว่างแห่งความสมนึกผิดชอบชั่วดีใดๆสนใจแต่จะต้องระบายความใคร่ด้วยความมืดที่ถึงอกถึงใจบวกกับภาวะทางกายที่มีลักษณะกระแทกกระทันนั่นเองเป็นจุดเหนี่ยวนำให้เกิดคำพูดในหัว ที่ต้องการแสดงภาวะมืดแบบไม่ต้องเห็นแสงสว่างรวมทั้งได้ความรู้สึกกระทบกระแทกแบบเจ็บเข้าไปถึงใจนี่ลหละครับที่มาของการนำอวัยวะเพศมาเป็นคำดา่าขอให้สังเกตว่าคนจะไม่ด่ากันด้วยอวัยวะเพศหญิงก็เพราะหญิงเป็นฝ่ายรับไม่ใช่ฝ่ายรูปคำอุทานเป็นอวัยวะเพศหญิง จะเกิดขึ้นในยามตกใจไม่ใช่ในยามอยากด่าคนส่วนที่ผู้ชายก็ใช้อวัยวะเพศของตนแสดงคำอุทานยามตกใจก็เพราะกำลังขาดสติอย่างยิ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ตเตลิดอย่างยิ่งซึ่งเป็นอันเดียวกับการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอวัยวะเพศตนเองเช่นกัน ทันที่จริงอวัยวะเบื้องต่าที่ถูกนำมาใช้เป็นคำด่ายังมีอีกจุดต่ำสุดเลยนะครับอวัยวะดังกล่าวเรียกได้หลายอย่างอย่างหยาบและได้มนโนภาพชัดเจนก็ตีนอย่างธรรมดาก็เท้าอย่างสุภาพก็บาดอย่างสูงสุดขั้นราชาศั์ก็พระบาทเวลาคนจะด่ากันก็ต้องเลือกคำที่ต่ำสุด ได้มโนภาพชัดเจนที่สุดตีนจึงกลายเป็นคำหยาบไปโดยปริยายแต่แจะกระทุ้งน้อยกว่าคำต่าที่สุดของอวัยวะเพศ ช, ชายและแสบร้อนน้อยกว่าคำต่าที่สุดของอวัยวะเพศหญิงของมันดาคนถูกดา่ารายละเอียดเหล่านี้แสดงถึงระดับจิตของคนด่าว่าโมโหมากหรือโมโหน้อย ำมากหรือปานกลางบาปที่เกิดขึ้นรุนแรงมากหรือปานกลางหรือย่อมเป็นต้นเขาให้เห็นว่าผลจะหนักหนาแค่ในขอบเขตรับโทษบนโลกมนุษย์หรือสาหัสสากันขนาดต้องไปชดใช้อย่างเผ็ดร้อนในนรกเอาดีกรีสูงสุดถ้าคำด่าน่าเจ็บใจมากถ้าก้าวล่วงถึงบุพาการี และคนถูกด่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสอันนั้นแม้ด่าเพียงครั้งเดียวก็ถึงนรกได้หากด่าเพียงครั้งเดียวแล้วมีกรรมข่าวอื่นๆมาพยุงเงาของกรรมที่เคยด่าผู้บริสุทธิ์ก็อาจรั้งรอไว้ก่อนเมื่อใดพลาดท่าต้องตกต่ําก็จะเข้ามาให้ผลรวบยอดในคราวเดียว แต่หากด่าเป็นประจาด้วยความติดใจคิดว่าเป็นของดีมีความปลื้มที่ได้ดา่าอันนั้นน้ำหนักกรรมดำจะมากและยากที่จะรวมน้ำหนักกรรมขาวอื่นๆมาต้านทานนรกตายเมื่อใดน่าจะมีคิวไปนรกก่อนคิวอื่นในความเป็นจริง ถ้าเคยชินที่จะพูดหยาบด้วยความคิดประทุษร้ายจนยากจะเปลี่ยนนิสัยแล้วขอให้สังเกตเถอะครับเจ้าโทสะโกรธง่ายหายยาทุกรายคนมาโกรธนั้นโอกาสจะคิดดีๆปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลนั้นยากมักมีกรรมโดยมากเป็นไปในทางอากุศลอยู่เรื่อยๆสรุปคือถ้าไม่พูดออกมาจากสมอง แต่พูดออกมาจากอวัยวะเพศเหมือนเอาอวัยวะเพศมาเป็นปากอาจเป็นต้นทางหหยานาเกินประมาณโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเมื่อมันนำไปสู่ถ้อยคําเสียดแทงยิ่งยิ่งขึ้นอย่าประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจายิ่งยิ่งขึ้นผลของการใช้อวัยวะเพศเป็นคำด่าจนชินไม่ต่างมากนักกับการเอาสัตว์ที่คนเรารังเกียจหรือดูถูกมาใช้เป็นคาด่า สิ่งที่เห็นได้ชัดก่อนตายคือจะเป็นผู้มีเสียงไม่น่าฟังทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของการใช้คำหยาบด้วยว่าเป็นไปโดยเจตนาประทุษร้ายหรือเจออยู่ด้วยโทรสะมากน้อยเพียงใดขอให้สังเกตถือว่าจริงไหมโดยเฉพาะผู้หญิงที่นิยมสะสมคำด่าคำเสียดแทงไว้ในหัวและปล่อยให้หลุดจากปากทุกโอกาสที่สบช่องนะครับ เสียงจะกรี้วเกริ้วไม่น่าฟังหรอกแต่หลายคนพอเว้นขาดจากคำหยาบได้เสียงก็จะไพเราะเพราะปริงขึ้นทันหูทันตา